สารคดีจากนิตยสาร National Geographic มันเป็นเรื่องพฤติกรรมของสัตว์ที่แปลกมากทีเดียวอย่างเช่นตัวเต่าทองเนี่ยเต่าทองนี่มันมีธรรมชาติที่ดุนะนกจะมาจิกมากินมันมันก็สู้แล้วก็พ่นพิษใส่นะ พวกมดอพวกนกนี้ไม่ค่อยมาต่อแย่เท่าไหร่แต่มันไปแพ้ทางมแมลงเล็กๆนะชื่อว่าตันเบียนตัวเล็กมากมันเข้าไปเจาะมันจะไปต่อยที่ท้องนะของต่อท้องแล้วก็วางไข่แล้วพอตัวอ่อนมันฟักเนี่ยมันก็แทงทะลุเข้าไปในท้องแล้วก็กิน สารอาหารต่างๆจากร่างกายของตัวเต่าทองนะอันนี้ก็คล้ายๆกับพวกปรสิตนะพวกพยาธินะ่นะมันก็เข้าไปกินอาหารกินสารอาหารจากร่างกายนะแต่ว่าที่มันแปลกก็คือว่าพอมันเข้าระยะดักแด้มันก็จะเจาะท้องออกมาแล้วมันก็จะ สร้างรังไหมห่อหุม้มตัวมันเอาไว้อยู่ข้างนอกนะอยู่ข้างนอกแต่เต่าทองนั่นนะออกมาข้างนอกเนี่ยมันก็อันตรายนะเพราะว่าตัวมันเล็กแต่ว่าเอาข้างจริงนี่มันปลอดภัยเพราะว่าตัวเต่าทองเนี่ยมันจะทาหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์เป็นผู้พิทักษ์ ตันเบียนที่กําลังอยู่ในระยะดักแด้เอาไว้มแมลงอะไรจะมากินนะมันจะมันจะในเต่าท่อ น, นี้ก็จะสู้ก็จะขับไล่แต่มันขึ้นไหนเคลื่อนมานไปไหนไม่ได้แล้วนะมันอยู่แน่นิ่งแล้วก็ขาของมันแล้วคอยขยับคอยปกป้องไม่ให้สัตว์เนี่ยมากินตันเบียนที่อยู่กลางท้องของมัน ไอ้แทนเบีย้ยนี่ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์นะที่จริงเป็นโทษโด้วยซ้านะเป็นอันตรายต่อชีวิตของมันแต่มันก็ปกป้องนะจนกระทั่งแานเบีย้ยนเติบโตกลายเป็นมแมลงส่วนเต่าทองก็ตายนะแล้วก็เพราะามันมีพฤติกรรมทานองนี้กับสัตว์หลายชนิดนะซึ่งธรรมชาติองสัตร์เนี่ยมันต้องอยู่เอาตัวรอดนะจะ ต, ต้องหนี ศัตรูแต่สัตว์หลายชนิดเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมตรงข้ามก็คือว่าเดินหน้าเข้าหาศัตรูนะที่ตั้งใจจะกินมันอย่างเช่นมันมีปรสิต ท, ที่ตัวเล็กๆที่ว่าพลาสโมเดียมเนี่ยถ้ามันเข้าไปในในตัวหนูเมื่อไหร่เนี่ยหนูนี่ก็จะมีอาการเพียนนะหนูนี่ปกติเป็นกลัวกลัว กลัวแมวมันได้กลิ่นแมวเนี่ยมันจะหนีเลยนะแต่ว่าพอพลาสโมเดียมเนยเข้าไปในในสมองของหนูเนี่ยมันจะไม่กลัวแมวนมันจะเดินเข้าไปหาแมวนะเพื่ออะไรเพื่อให้แมวกินทําไมแมวถึงทําไมพลาสโมเดียมถึงบงการให้หนูเนี่ยเดินเข้าไปให้แมวกินก็เพราะว่ามันจะเติบโตได้ในท้องของแมว แล้หนูนี่ก็ทําอะไรไม่ได้นะหนูเหมือนก็นว่าเป็นเป็นซอมบี้งั้นนะไอ้พลสโมเดียมก็ทําให้หนูนี่กลายเป็นอาหารของแมวไปได้เพื่อที่มันจะได้ไปเติบโตในท้องของแมวแล้วมันก็ออกมาออกมาทางทางทางขี้นะขี้แมวแล้วขี้แมวนี่มันก็เข้าสู่หนูอีกครั้งหนึ่งมันจะมี พฤติกรรมแบบนี้กับสัตว์หลายชนิดนะอย่างเช่นตัวจิ้งหรีเนี่ยจิ้งรีปกติเนี่ยนะมันกลัวน้ำนะแต่ว่าพอมีพยาชนิดหนึ่งชื่อว่าพยาขนมาเนี่ยเข้าไปในตัวมันเนี่ยนะมันจะไม่กลัวน้ำมันจะจนลงไปในน้ำเลยและในน้ำมีอะไรรออยู่นะก็ปลา ปลาลอยอยู่ปลาก็ไปฮุบนะกินจิ้งหรีดแล้วไอตัวพยาตเนี่ยมันก็จะไปโตในท้องปลาแล้ววันดีคือดีมันก็ออกมาแล้วก็เข้าสู่ตัวจิ้งหรีดอีกครั้งหนึ่งนะเป็นวงจรอันนี้มันก็คลา้คลายกันนะคือมันก็บังคับให้จิ้งหรีดเนี่ยนะทในสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตัวมัน ก็คือโจลงน้ําเพื่อได้เป็นอาหารของปลาแล้วก็เพราะว่ามันมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยกับสัตว์หลายชนิดะเช่นตัวออดก็เหมือนกันนะตัวออดตัวออดนี่มันก็พอมันเจอพญาติพญาติตัวแบนเนี่ยมันก็จะเริ่มมีอาการวิปริตผิดเพียนเน้ยนนะว่ายเข้าไปให้นกกระยางเนี่ยนกยางกินนะปกติมันต้องหนีนะต้องคอยหลบนกยางแต่พอ พอพยาธชนิดนี้เข้าไปในตัวมันเนี่ยมันก็เรียกว่าหนีไม่ค่อยเป็นละนะมันมีหางงอกขึ้นมาหางงอกออกมาบ้างมีแขนขา ง, ง อ, ก อ, อกมาวิพิลิตผิดเพี้ยนทําให้เป็นเหยื่อของนกอย่างได้ง่ายแล้วพอมันกินเข้าไปนะไอ้ตัวพยาธิเนี่ย ญาติตัวแบนเนี่ยก็จะเข้าไปโตในท้องแล้วก็แพร่พันธุ์แล้วก็ออกมาเพื่อเข้าสู่วงจรอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่เขาพบว่ามีมากขึ้นเรื่อยๆในสัตว์นะซึ่งอธิบายว่าทำไมสัตว์เนี่ยมันถึงมีพฤติกรรมที่ประหลาดผิดเพี้ยนปกป้องศัตรูแล้วก็หรือไม่ก็เดินหน้าเข้าหา อันตรายนะทังที่ธรรมชาติของสัตว์เนี่ยมันต้องพยายามหนีอันตรายนะก็เพราะว่ามันเข้าไปเวลามันมันเข้าไปอยู่ในตัวสัตว์เนี่ยมันจะไปมีผลต่อสมองนะของสัตว์เหล่านี้ที่ทําให้ทําอะไรแปลกๆนะเหมือนกับว่าโดนโปรแกรมเข้าไปนะะโชคดีที่ว่าสัตว์ใหญ่ๆหรือว่าคนเรานี่ไม่มีไม่มีหรือว่ายังไม่เจอนะ ไอ้ปรสิตประเภทนี้ฉั้นคนเราเนี่ยก็ยังไม่ถึงกับว่าต้องกลายเป็นหุ่นยนต์เพื่อให้พวกปรสิตเหล่านี้บ่งการนะแต่ถ้าดูดีๆคนเรานี่ก็ถึงแม้จะไม่มีปรสิตหรือพวกมแมลงพวกเชื้อนี่เข้าไปในสมองนะแต่ว่าในจิตใจเราไม่แน่นะจิตใจเราเนี่ยของคนจานวนมากเนี่ย พอมันถูกครอบงำด้วยพลังบางอย่างแล้วเนี่ยก็ทําให้มีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อตัวเองนะไอ้พลังบางอย่างที่บางทีเราก็เรียกว่าผีนะผีสุรานะผีการพนันอย่างคนเนี่ยพอถ้าเกิดว่าเริ่มกินเหล้าเข้าไปเนี่ยนะมันก็จะมีแนวโน้มที่จะถล่มลึกเข้าไปในในวงเหล้ามากขึ้น เช่นพอกินเหล้าแล้วเนี่ยก็เริ่มทำงานไม่ค่อยได้พอเริ่มเ ม, มามายคนก็ไม่ค่อยนับถือทำงานไม่ค่อยได้หรือว่าทำงานบกพร่องเจ้านายก็ว่าก็ทำให้เกิดความเครียดพอเครียดแล้วเป็นไงก็ต้องหาเหล้ามาช่วยระงับความเครียดหรือช่วยย้อมใจพอกินเหล้ามากขึ้นมันก็ทำให้เกิดปัญหากับคนอื่นมากขึ้นทางานไม่ได้ไปงางานสายเนี่ย หลงหลงลืมลืมมีปัญหากับเพื่อนมีปัญหากับครอบครัวถูกต่อว่าก็เครียดเครียดก็ไปหาเหล้านะสุดท้ายก็เรียกว่าจมนะอยู่ในกล่องเหล้าแล้วก็ตายพเพราะเหล้าอันนี้เป็นพฤติกรรมที่คนปกติเขาไม่ทากันนะเพราะว่ามันเป็นโทษกับตัวเองแต่จะว่าไปแล้วนี่มันก็ มันไม่ต่างจากไอตัวพลาสโมดิอมนะหรือว่าพวกพยาธินะที่มันเข้าไปในตัวสัตว์แล้วก็ทําให้สัตว์เหล่านี้เนี่ยมันมีแต่ทํำลายตัวเองไอผีนะผีเล่าผีพนันเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงถ้าดูให้กว้างๆแล้วเนี่ยนะมันไม่ใช่เฉพาะผีเล่าผีพนันเพราะถึงแม้คนที่ไม่ได้กินเล่าไม่ได้เล่นการพนันก็อาจจะมีพฤติกรรมแปลกๆนะ ในลักษณะที่ทำร้ายตัวเองได้เป็นโทษกับตัวเองนะอันนี้เราเรียกรวมๆว่ามารก็ได้นะมารเนี่ยนะเวลามาร น, นี่มันเข้าไปครองใจนะครอบงามใจเราเนี่ยเราก็จะทำสิ่งที่มันเป็นโทษกับตัวเองนะไม่ว่าอ่การถูกครอบงามด้วยมารที่ชื่อว่าโทสะโลภะนะ หรือว่าความหลง เ, เมื่อใดก็ตามที่ถูกครอบงำด้วยมาเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราทําในสิ่งที่คนปกติหรือว่าคนที่มีสติอนะสัพพัญญะเขาไม่ทํากันเช่นเวลาโกรธนะเวลาโกรธก็ทําร้ายเข้าของนะทําร้ายเข้าของไม่ใช่ของใครแนตะ่ของตัวเองนะหรือว่าเอเข้าไปหา อบายมุกมากขึ้นนะเวลามีความทุกข์นะทุกข์เพราะกโกรธทุกข์เพราะาเสียใจนะแทนที่จะหาทางนะระ ง, งับความทุกข์เหล่านั้นนะปัดมันออกไปจากจิตใจก็กลับไปหาอบายมุกนะเล่าการพันนันหรือว่าการเที่ยวเล่นกลางคืนหรือว่าบางคนก็จะไปชอปปิ้งนะเพื่อให้ใคลาย นะความทุกข์มันก็ทําให้เกิดปัญหานะเสียเงินเสียทองบางคนช้อปปิง้งเป็นจนกระทั่งไปโรคติดนะติดการช้อปปิง้งเสร็จแล้วก็พอเป็นหนี้มากๆก็กรุบออกกุ้มใจนะกลุบออกกุ้มใจก็เข้าไปหาการพนันเพราะว่าการพนันจะเป็นทางออกให้ได้เงินเร็วๆหรือถ้ากลุบ ม, มอกกุ้มใจมากหรืทอทํำยังไงก็ไปเข้าหาเหล้าหายาเสพติดนะ มันจะได้หายทุกแล้วก็จมเข้าไปนะในหนทางความเสื่อมนะคา mm. ว่าใบายมุนแปลว่าประตูสู่ความเสื่อมสู่อาบาย <c oughs> อาบายเนี่ยคือ น, นรกนะหรือว่าความเป็นเปรตความเป็นสุรกายเนะี่ยไม่ต้องรอให้ตายนะก็สามารถจะตกอยู่ในภาวะนั้นได้ก็เพราะว่าความนะ เพราะว่าถุกมาเนี่ยมันเข้ามาบงการจิตใจในแง่นี้เนี่ยบัน ท, ทีเราอาจจะแย่กว่าหรือว่าเจออันตรายที่หนักกว่าพวกสัตว์ที่ว่ามาสิกนะเพราะว่าไอสัตว์ที่ว่ามาเนี่ยถึงแม้มันจะหาเรื่องใส่ตัวนะแต่ว่ามันก็เป็นการหาเรื่องใส่ตัวเฉพาะตัวมันไม่มีใครเดือดร้อนด้วย แต่คนเราเนี่ยพอตกอยู่ภายใต้อำนาจของมารของกิเลสนี่มันก็สามารถจะพาเอาคนอื่นเข้าไปนะสู่ความเดือดร้อนสู่ความฉิบหายหรือว่าความวุ่นวายได้เช่นครอบครัวเช่นลูกเช่นผัวเช่นเมียรหรือว่าถ้าเป็นผู้นำก็อาจจะพาเอ า, อาผู้ต้ปกครองนะผู้ใดผู้อยู่ในบังคับบัญชาไปด้วยนะไอ้ที่ ผู้ปกครองหรือว่านักการเมืองนะนะอย่างเช่นอย่างฮิตเลอร์เนี่ยนะเข้าไปทำทำความหายนะให้กับประเทศของตัวเองเนี่ยนะอันนี้ถ้าดูดีๆเนี่ยคนที่มีสติสัมปชัญญะเขาก็ไม่ทำกันแต่เพราะความหลงนะความหลงก็เลยพาเอาทั้งประเทศนี่เข้าไปสู่หายนะอะ่ทุกวันนี้แม่จะฟื้นตัวได้แล้วนเะยอรมันนะแต่ว่า ใน ง, ง่นจิตใจก็ยังมีปัญหาอยู่นะยังมีบาดแผลก็อยู่มากมายถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยนะชีวิตของคนเราเนี่ยมันเป็นเรื่องการต่อสู้กันนะระหว่างสองตัวนะอะบางคนจะบอกเป็นการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่วแต่ถ้าผูด ร, รวมแล้วมันเป็นการต่อสู้ระหว่างความรู้กับหลงนะรู้กับหลงไอ้มาเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วมันก็เป็น มันเกิดจากความหลงนะมานคลองใจได้เพราะาเราหลงมานเนี่ยนะเขาแปลว่าสิ่งที่ฆ่ามดุดให้ตายจากคุณธรรมความดีหรือว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้คนเราทำความดีนะอันนี้เรียกกิเลสมารนะมารมีหลายอย่างนะมารที่เป็นเทวดาก็มีนะเทวปุตตมานนะเทวปุตตมาน มาที่เป็นขันนะเรียกขันธรรมานก็ก็ใช่นะเช่นความเจ็บความป่วยนะขันหรือสังขารที่มันเจ็บป่วยมันก็เป็นอุปสรรคทาให้ทาความดีได้ยากนะบางคนเจ็บป่วยมากจนกระทั่งตัดสินใจฆ่าตัวตายนะก็ทำกรรมนะที่ไม่น่าทำอันนี้ก็เพราะว่ามานเนี่ยมันสั่งนะขันธมาน แต่ว่าคงจะไม่มีอะไรที่น่ากลัวเท่ากิเลสมานนะกิเลสสมานีก็คือกิเลสที่มันคอยขัดขวางไม่ให้คนเราทําความดีหรือว่าทําให้เราเนี่ยจมอยู่ในความหลงอยู่ในอบายแต่ถ้าจะเรียกรวมๆแล้วก็จะเรียกความหลงก็ได้นะชีวิตของคนเราเนี่ยนะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ยื้อยุดกัน ร, ระหว่างรู้กับหลงนะ รู้ในที่นี่หมายถึงความรู้ตัวนะไม่ใ ช, ช่ไม่ใช่หมายความเฉพาะการรู้ทางโลกนะชาวบ้านที่เข า, าไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยเขาอาจจะรู้มากกว่าหลงนะส่วนคนที่เรียนหนังสือเนี่ยนะอาจจะหลงมากกว่ารู้ก็ได้นะก็คือมันอาจจะหลงอยู่ในในความรู้ของตัวความรู้ทางโลกหลงปริญญานะหลง ชื่อเสียงเกติยนะ์เรียกว่ามีความลืมตัวนะเพราะว่าไปหลงในปริญญาบัตรหลงในความรู้หลงในชื่อเสียงเกติยตฐานะตาแหน่งนะลองดูดีๆนะคนเราเนี่ยนะคนเราจะเจริญก้าวหน้าได้ก็เพราะว่าสามารถที่จะรู้มากกว่าหลงหรือว่าตัวรู้เนี่ยมันก็เข้ามา เป็นใหญ่ในชีวิต จ, จิตใจของเราได้มากขึ้นเรื่อยๆนะเหมือนกับเหมือนกับห้องหรือเหมือนกับศาลานี้เนี่ยที่นะนะมันเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆนะคนเราที่จะมีพัฒนาการได้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีความรู้นะความรู้ตัวนะรวมทั้งความรู้เข้าใจในศาสนาธรรมความจริงของชีวิตเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราปล่อยให้ความหลงเนี่ยมันมา ครอบงำใจหรือว่ากินแดนเข้าไปนะในชีวิตจิตใจของเราเนี่ยเราก็จะมีแต่ความทุกข์มากขึ้นอันที่เรามาปฏิบัติธรรมนะมาเจริญภาวนากนันนี่ก็เพื่อที่จะให้รู้เนี่ยมันมีพลังมากกว่าตัวหลงนะรู้มากขึ้นรู้มากขึ้นนะไม่ใช่รู้อะไรก็คือรู้กายรู้ใจนะแต่เราก็ลองสังเกตนะว่าความหลงมันก็ไม่ยอมแพ้นะมันก็จะคอยมาเล่นงานเราในเวลาเราเผลอนะ เดินจงกรมไปนะเดี๋ยวก็หลงไปอีกแล้วนะมันคอยช่วยโอกาสนะได้ยินเสียงนะกระทบนะเสียงมอเตอร์ไซค์นะแทนที่จะสักแทนที่สักแต่ว่าได้ยินหรือว่าได้ยินเสียงคนคุยกันการแทนที่จะสักแต่ว่าได้ินรู้ว่ามันมีการคุยกันสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าได้ยินเปล่านะไอ้ความหลงมันก็มาคอยคอยมาโชวยโอกาสเนี่ย พอเกิดผัสสะขึ้นมาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนี่มันนะมันเข้ามาเลยนะแล้วมันก็พาใจเราเนี่ยเตลดเิดเปิดเปิงไปคิดโนดคิดนี่หรือไม่ก็เกิดความไม่พอใจนะทําไมถึงมีเสียงดังอย่างนี้ทําไมถึงมาคุยกันนะเสียงดังจังเลยนะมีความไม่พอใจนะยินร้ายหรือมีความคิดปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆความหลงเนี่มันคอยโชว์โอกาสนะมา เล่นงานเราโดยเพาเวลาเราเผลอยิ่งปกติเราไม่สังเกตนะจนกว่าเรามาเจริญสติเนี่ยเพราะว่ า, เ, าเวลาเรามาเจริญสติเราก็ตั้งวันนี้เราจะรู้ให้มากขึ้นรู้ให้ไวขึ้นรู้ให้นะแล้วก็รู้แบบรู้ทั้งกายรู้ใจแต่ก็จะพบว่าความหลงมันก็เอาใจของเราไปอยู่บ่อยๆนะชั่วโมงหนึ่งก็อาจจะหลงสักเก้าสิเอร์เซนะหรือว่าห้าสิบห้านาทีนะอีกห้านาทีเนี่ยนะ ถึงจะเรียกว่ารู้นะรู้รวมๆกันก็ได้แค่ห้านาทีนะทั้งชั่วโมงนะนะเวลาเราเจอสติเราเห็นแล้วมันเป็นการสู้กันนะระหว่างรู้กับหลงนะแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติเรื่อยๆแล้วปฏิบัติถูกทางเนี่ยรู้มันก็จะมากกว่าหลงแต่ถ้าเราอยากรู้นะถ้าเราอยากรู้อย่างมีสตินะก็อาจจะโดนความหลงมันเล่นงานนะเพราะว่าใครที่ อยากจะรู้นะทำเพราะอยากได้อยากเอาอยากมีเนี่ยอันนั้นแหละก็เรียกว่าหลงแล้วนะมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันมันไปหลงอยู่กับอนาคตอยู่กับผลนะที่ยังไม่เกิดขึ้นพอใจเราอยู่ไม่อยู่กับอนา dairy, ไม่อยู่กับปัจจุบันประโยชน์อนาคตเนี่ยมันก็หลงแล้วนะหรือว่าทําด้วยความอยากนะพอทําด้วยความอยากเนี่ยไอ้ความอยากนี่คือตัณหาพอตัณหา มันผุดขึ้นมาในใจเนี่ยมันก็ทําให้ใจเราหลงนะให้เราก็ต้องต้องระวังนะเพราะว่าแม้ว่าเรามาเจริญสติเพื่อที่จะให้รู้มากกว่าหลงแต่ว่าถ้าเราวางใจไม่เป็นเนี่ยไอ้หลงมันก็จะเข้ามาเล่นงานเราถ้ามันเฉวี่ยอกาศตลอดเวลานะแม้กระทั่งเวลาเราสร้างจังหวะเนี่ยนะเราสร้างจังหวะเพื่อที่จะรู้ให้มากขึ้นนะปลูกธาตุรู้ปลูกธาตุรู้ให้รู้รู้ ร, รู้รู้ตัว แต่เพลิปุ๊บนี่สร้างจังหวะนี่แหละนะจะเป็นการทําตามความเคยชินก็คือทําด้วยความหลงบางคนสร้างจังหวะจนชินนะจนชินนะพออยู่เฉยนี่มันยกมือขึ้นมาเองแต่มันไม่ได้รู้เพราะว่าไม่ได้ทําด้วยความรู้ตัวนะแต่มันทําตามความเคยชินอันนี้ก็เรียกว่าความหลงนี่มันเข้ามานะเข้ามาฉวยอกาสแล้วแทนที่จะสร้างจังหวะเพื่อให้รู้ตัวนี่กับโดนความหลงนี่มันเข้ามา จโจกาศเหมือนกับว่าเรามีอาวุธเนี่ยที่จะใช้สู้สู้กับศัตรูนะแต่ว่ากลับปล่อยให้อาวุธนั้นเนี่ยอยู่ในมือของศัตรูนะศัตรูมันก็เข้ามาเอาใช้อาวุธนั่นแหละมาเล่นงานเราแทนไนอะ้บางทีเราต้องระวังนะสร้างจังหวะเนี่ยสร้างไปสร้างมามันทํามันทําไปได้วยความเคยชินอยู่เฉยๆขึ้นมาก็สร้างจังหวะยกมือขึ้นมาแต่ไม่ได้ทําด้วยความรู้ตัวนะมันทําด้วยความหลงนะเพราะตอนนั้นใจลอย เนี่ย น, นี่มันฉลาดมากเลยนะแม้กระทั่งเครื่องมือที่จะใช้เพื่อขับไล่ความหลงไปเนี่ยไอ้ความหลงก็กลับมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความหลงในใจเรามากขึ้นถ้าเราจะประมาทความหลงไม่ได้นะแต่เราก็ต้องนะแต่ว่าการที่จะไปไปสู้ความหลงนี่มันไม่ใช่ว่าจะต้องจะใช้วิธีไปกดขม่มเอาเป็นเอาตายกับมันนะอย่างเช่นบางคนนี่นะั้ปฏิบัติก็ ไม่อยากให้ใจมันหลงคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไปพยายามควบคุมความคิดนะไปห้ามไปกดข่มความคิดนะอันนี้มันกลับทําให้หลงมากขึ้นนะยิ่งไปพยายามกดข่มมันนะมันก็ยิ่งงุดหยิดมากขึ้นเพราะว่าใจมันไม่ยอมนะที่จะอยู่ในอนํานาจของเรายิ่งไปกดข่มมันมันยิ่งสู้นะจิตใจนะ่ะก็ยิ่งคิดยิ่งฟุ้งไปเรื่อยๆแล้วพอยิ่งฟุ้งเนี่ยใจก็ พอใจยิ่งฟุ e. ้งเนี่ยเราก็ยิ่งไม่ชอบนะก็ยิ่งเกิดความหงุดหงิดมากขึ้นยิ่งอยากเอาชนะนะก็ยิ่งพ่ายแพ้เพราะว่ามันผิดตั้งแต่ตอนที่อยากเอาชนะแล้วไม่ต้องเอาชนะนะก็เพียงแต่ว่าทำความรู้สึกตัวให้มากขึ้นทาความรู้สึกตัวให้มากขึ้นนะไม่ต้องคิดไปไม่ต้องไปคิดพิชิตความหลงเมื่อความมืดเนี่ยนะเราไม่ต้องทำอะไรความมืดหรอกเพียงแต่เติมความสว่างเข้าไปความมืดมันก็หายไปเอง ไม่มีใครขับไล่ความมืดได้มีแต่เติมความสว่างเข้าไปนะพอเราเติมความสว่างเช่นจุดไฟจุดเทียนหรือว่าเปิดไฟเนี่ยความมืดมันหายไปเองนะอันนี้นะเพราะนั้นเนี่ยเราสิ่งที่เราควรนำคือ ก, ก็คือทำความรู้สึกตัวให้มากขึ้นนะให้รู้ตัวให้รู้ทันนะความรู้ทันเนี่ยนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของสตินะสติเนี่ยทำหน้าที่รู้ทัน หรือว่ารู้ในปัจจุบันขณะทำให้จิตเนี่ยอยู่กับปัจจุบันขณะได้เพราะมีสติเป็นตัวกากับนะแต่ในระดับกัรเนี่ยสติก็ทำให้เราลึกรู้ได้นะหมายถึงว่าเราลึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วได้เหมือนกันนะสติทำให้จำได้ในสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะอันนี้เรียกว่านะความจำได้นะความระลึกได้ และขณะเดียวกันก็ทำให้เรารู้หรือว่ารู้เต็มตื่นอยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะสิ่งที่เป็นปัจจุบันขณะสิ่งที่เป็นปัจจุบันทำจิตถ้าเรารู้เต็มตื่นเมื่อไหร่นี่ก็เพราะว่ามีสตินะเช่นเมื่อเรายกมือเนี่ยเรามีสติโยการยกเนี่ยมันก็เกิดความรู้ตัวเกิดความรับรู้ถึงอ่ามือที่เคลื่อนไหวไปมานะและหรือเวลาเราสวดมน์นะอ่าเรา จิตเราอยู่การสวดมนต์เราก็จะสวดมนต์ด้วยความรู้สึกตัวถ้าหากว่าจิตนั้นมีสติกำกับนะแต่บางครั้งก็เผลอไปนะคิดโน่นคิดนี่ก็เราลึกขึ้นมาได้ <c oughs> ก็เราลึกขึ้นมาได้ว่านี่เรากำลังสวดมนต์อยู่ไอ้ตัวที่เราลึกขึ้นมาได้นี่ก็กสติเหมือนกันนะแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษคือว่ามันนึกขึ้นมาได้เองนะ เราสังเกตไหมเวลาเราเดินจงกรมสร้างจังหวะเนใจลอยไปนวดไปนี่อยู่ดีมันนึกขึ้นมาแล้ลึกขึ้นมาได้ว่ากําลังเดินจงกรมกำลังสร้างจังหวะแล้วก็ทําให้จิตกรรมอยู่กับเนื้อกับตัวไอ้การระลึกขึ้นมาได้เองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเจตนานะความระลึกได้เนี่ยมันมีสองแบบนะคือหนึ่งเจตนาเจตนาระลึกน ะ, ะเช่นเราวางกระเป๋าเอาไว้แล้วก็ลืมนะไม่รู้ว่าวางเอาไว้ที่ไหน วางกุญแจรถเอาไว้ตรงไหนไม่รู้แล้วก็จะใช้ก็ก็ต้องค่อยๆนึกว่าไอเราเมื่อกี้ไปไหนมาบ้างนะเราลําดับไปลําดับไปก็ก็เราลึกได้ว่าอ๋อวางกุญแจาวางกระเป๋าไว้ตรงนี้นะหรือว่าเราจะเราจําได้ว่าเพื่อนเนี่ยเกิดวันอะไรนะแต่มันก็มีบางขนาดที่เราจําไม่ได้ เราก็ค่อยนึกเรียงลำดับไปว่าเกิดวันไหนนะหรือว่าเวลาเราจะนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตนะกษัตริย์สุโขทัยนะองค์แรกคือใครนะอ ง, องค์ไหนที่เป็นมหาราชเนี่ยบางทีเราต้องนึกนะคนที่ไม่ได้ไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์มาหรือว่าไม่ได้เก่งไม่ได้สนใจทางนี้จริงจังเนี่ยก็ต้องค่อยลำดับนะ ก็ค่อยลำดับลำดับอ๋อเดยวก็นึกออกว่าอ๋อนะพอ่อขุรามคำแหงนะเป็นมหาราชองค์แรกนะอันเนี้ยมันเป็นความระลึกได้จากเจตนาด้วยเจตนานะแต่ว่ามีความระลึกได้อีกแบบหนึ่งนะก็คือว่ามันนึกขึ้นมาได้เองนะอันนี้เราอาจจะเจอได้บ่อยนะกาลังทำงานอยู่กําลังเล่นเฟ e บุ o k อยู่ก็นึกขึ้นมาได้ว่า น, นี่นะ เรามีนัดกับเพื่อนนะสี่โมงเย็นนะนี่มันสี่โมงสิบห้าแล้วหรือว่านี่มันนี่มันบ่ายสามครึ่งแล้วหรือว่ากําลังทำโครอยู่ก็นึกขึ้นมาได้ว่านะตั้งน้ําเอาไว้จุดเอาน้ํามาตั้งต้มน้ําเอาไว้นะต้มน้ําไว้นีนต้องครึ่งชั่วโมงแล้วนะนึกขึ้นมาได้นะก็รีบไปนะดูว่าเป็นยังไงแล้วนะอันนี้แล้วว่านึกขึ้นมาได้เอง นะการเจริญสติเนี่ยนะที่เราทำกันเนี่ยก็เพื่อให้มีความสามารถในการที่จะระลึกขึ้นมาได้เองแต่ไม่ได้ระลึกนึกเห็นในเรื่องนอกตัวนะแต่เป็นเรื่องของกายและใจนี่แหละนะไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าใครเกิดเมื่อไหร่นะกุญแจอยู่ที่ไหนนะแต่ว่าอยู่ที่ว่าตอนนี้กายและใจของเรานะทำอะไรอยู่ ระลึกขึ้นมาได้วกําลังทําอะไรอยู่หรือว่าใจมันลอยหรือว่ามีอารมณ์โกโรธนะมีความเศร้านะก็เกิดระลึกขึ้นมาได้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนะเกิดความรู้ตัวขึ้นมาไอความระลึกขึ้นมาได้แบบนี้เนี่ยมันถึงแม้ว่าจะไม่สามารถจะเจตนาทําให้มันเกิดขึ้นได้นะ แต่ว่าเราสามารถจะสร้างนิสัยนี้ขึ้นมาได้ก็โดยการฝึกสติบ่อยๆนะตามหลักสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยเราทำ บ, บ่อยๆทำบ่อยๆเนี่ยมันจะมีความสามารถในการเราลึกขึ้นมาได้เองแต่ก่อนนี่คิดไปสิเรื่องถึงนึกขึ้นมาได้นะว่ากําลังยกมือสร้างจังหวะกําลังเดินตรงกรมกําลังสวดมนต์นะแต่พอเราฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมันจะนึกขึ้นมาได้เองไวขึ้นไวขึ้น นะจนกระทั่งบางทีแค่เรื่องเดียวแล้วนึกยังไม่ทันฟุ้งยังไม่ทันจบเรื่องเลยมันนึกขึ้นมาได้แล้วว่ากําลังทําอะไรอยู่ในะปัจจุบันนะซึ่งมันทาให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นไม่ใช่ความคิดเท่านั้นแต่อารมณ์ด้วยเวลาเราจมอยู่ในอารมณ์นะไม่ว่าดีใจเสียใจยินดียินร้ายนะติติหรือว่าเศร้ า, าเนี่ยมันลืมตัวนะตอนนั้นเรียกว่าลืมใจนะแล้วก็ลืมกายด้วยทำอะไรก็ลืมไม่รู้ว่ากายกาลังทําอะไรอยู่ใจก็ลืม นะมันเพราะว่ามันมันจมหายเข้าไปในร่องอารมณ์นะแต่ถ้าเกิดว่ามีความระลึกขึ้นมาได้เนี่ยอ่มันก็จะอะ่หลุดจากอารมณ์นั้นแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันเกิดความรู้เนื้อรู้ตัวนะก็คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่นเองอันนี้แหละจะทให้ความความหลงเนี่ยเมื่อค่อยนะค่อยๆหายไปจากใจของเราค่อยค่ยหายไปจากชีวิตของเราและ ตัวรู้เนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นนะไม่ใช่แค่รู้ตัวไม่ใช่แค่รู้กายรู้ใจแต่ว่าต่อไปก็จะรู้นะความจริงของชีวิตนะรู้ลักษณะธรรมชาติของกายใจนะว่ามันมีธรรมชาติอย่างไรไม่สามารถจะยึดมั่นถือมั่นอะไรได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้นก็จะเป็นเป็นรู้อีกแบบหนึ่งนะเป็นรู้ที่สามารถจะขับไล่อวิชชาได้ ซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยเมื่อรู้มากๆรู้จนแจ่มแจ้งเนี่ยความหลงหมดไปวิชาดับไปมารก็ไม่สามารถจะครองใจได้นะก็จะเรียกว่าเป็นผู้ที่นะสามารถจะทำประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมได้ถึงพร้อมจนกระทั่งว่ากิจที่จะต้องทำในเรื่องนี้ไม่มีต่อไปนะมีแต่กิจที่จะต้องทำเพื่อผู้อื่นนะเพราะนั้นเพราะนั้นก็พยายามนะพยายาม สร้างความสร้างตัวรู้ให้มากขึ้นนะให้มันให้มันเข้ามาเป็นใหญ่ในจิตใจของเรานะแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้ความหลงเข้ามานะบงการครอบงําใจนะอันนี้แหละนะจะเรียกว่าเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าของชีวิตนะความก้าวหน้าชีวิตไม่ได้วัดที่มีเงินมากขึ้นมีตําแหน่งสูงขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นแต่อยู่ที่ว่า รู้เนี่ยมันพัฒนามากขึ้นเจริญ ง, งอกงามมากขึ้นจนกระทั่งเบียดขับนะตัวหลงให้ไม่มีที่ไม่มีทางนะในชีวิตจิตใจของเรา